FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมีดีต้องมาอวดพร้อมอวดที่นี่เร็วๆนี้ FM 89.5 วิทยุราชมงคลทั ญ, ญบุรี ปีใหม่ดื่มไม่ขับลดความเร็วลดความเสี่ยงกลับบ้านปลอดภัยขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความหมงใ ย, ยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปี2563พุปรวชปวสม .6 และเทียบเท่าตั้งแต่บัญญัเป็นต้นไป ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครและเงื่อนไขต่างๆได้ทาง w w w o r e g i m u t t a c t h สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอ l l เซ็นเตอร์ 5. 02 549 3613-5 02 549 3613-5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ เพื่อนเตือนภัยผู้ดำเนินรายการอาธิตยาปกทานังสร้างสารรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี สวัสดีค่ะคุณปังคาต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตินภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะพบกันในทุกๆเช้าของวันพระหัสบดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีกับดิฉันอาทิตยาปกธานางรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนี้ค่ะคุณังคาวันนี้นะ่ธันวาคมก็ถือได้ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์เต็มๆนะ ที่ประสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่เชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยน่าจะเตรียมแพลนกันแล้วนะคะว่าในช่วงของวันที่27หรือว่าวันศุกร์นี้เนี่ยเลิกงานนะคะในตอนเย็นเนี่ยอาจจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะหรือบางคนเองบอกว่าปีใหม่นี้หยุด9วันติดต่อกันนะในส่วนของภาคเอกชนนะคะก็ขอให้เดินทางกันอย่างระมัดระวังด้วยแล้วก็ในทุกๆปีเราก็มักจะรณรงค์ในเรื่องของเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ ไม่ประมาดง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะคะเดี๋ยวนี้มีจุดพักจอดรถนะคะแล้วก็มีจุดให้บริการเรื่องของชา ก, กาแฟสำหรับใครที่รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนนะคะก็อาจจะต้อง จอดรถกันสักนิดนึงนะคะอาจจะนอนหลับกันสักหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนกันบ้างพักเปลี่ยนอัธยาศัยกันบ้างนิดนึ่งนะคะส่วนใครที่ง่วงแล้วก็จะนอนในรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากจะนอนในรถเองเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการลดกระจกลงด้วยนะเพราะว่าถ้านอนขณะที่เปิดแอร์ในรถเนี่ยอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะและนี่คือเรื่องราวในวันนี้กับเพื่อนเตือนภัยที่นํามาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ เป็นเรื่องที่น่าจะใกล้ตัวใครหลายคนโดยเฉพาะคุณพ่อที่มีอาการเห่อลูกกันนะคะล่าสุดค่ะมีอุทาหรณ์เกิดขึ้นคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยเขามาเล่าเหตุการณ์บอกว่าตัวเองเนี่ยอุ้มลูกเนี่ยนะคะชูขึ้นเพดานแต่ปรากฏว่าลืมสังเกตรหรือสังเกตแต่ช้าไปหน่อยนะคะว่าเพดานมีพัดลมเพดานติดอยู่ทําให้ลูกถูกพัดลมบาดเย็บไปเจ็ดเข็มค่ะ เรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองเลยนะคะใครที่ชอบชูเด็กๆนะสูงๆหรือว่าเล่นกันแบบหวาดเสียวเนี่ยนะคะอาจจะต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้พิจารณาสักหน่อยค่ะหลังจากคุณพ่อรายหนึ่งได้โพสต์เล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่ทําให้ลูกน้อยของเขาต้องเจ็บตัวเย็บถึง7 เ, เข็มด้วยกันค่ะคุณพ่อท่านนี้นะคะได้ออกมาโพสต์เรื่องราวเตือนภัยให้ผู้ปกครองลงในเพจเหอคิดพร้อมอร่ารวมพลคนเหลอลูกนะคะโดยระบุว่าขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านใครหรือห้องใครที่มี ลมเพดานเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองพอดีเมื่อวานผมได้พาแฟนกับลูกไปหายายพ่อถึงผมก็ส่งแฟนกับลูกให้เข้าไปก่อนเพราะผมต้องไปจอดรถจอดรถเสร็จผมก็เดินตามเข้าไปพ่อเปิดประตูห้องลูกก็วิ่งมาหาผมเพื่อที่จะให้อุ้มเล่นผมก็อุ้มแล้วผมก็เห็นว่ามีพัดลมเพดานอยู่ผมถอยหลังไปประมาณสองถึงสก้าวคิดว่าพน้น เลยอุ้มแล้วยืดแขนแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะมันดันอย่างไม่พน้นหัวลูกโดนพัดลมแต่ดีที่เอาลงทันจะดูแผลแต่ลูกก็ไม่ยอมร้องดิ้นอย่างเดียวจึงรีบพาไปหาหมอหมอบอกว่าแผลเป็นลักษณะเปิดแต่ดีที่ไม่ลึกมากต้องเย็บโดนไปเจ็ดเข็มถ้าบ้านใครมีพัดลมเพดานแล้วชอบเล่นกับลูกแบบนี้ผมแนะนําให้ปิดพัดลมก่อนนะครับอย่าประมาดดีที่สุดครับผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าผมอุ้มโยนสภาพจะเป็นยังไงนะคะคุณพ่อเองก็มา บอกเล่าเรื่องราวกันนะคะใครที่ชอบเล่นกับลูกๆหลานๆแบบนี้ระมัดระวังกันสนิดหนึ่งนะคะมองสภาพแวดล้อมกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเล่นนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องของการทําของหายนะคะผู้ฟังคะเวลาที่มีการทําของหายนะโดยเฉพาะเอกสารสําคัญหลักฐานสําคัญนะคะล่าสุดค่ะเป็นเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นใบขับขี่หายค่ะผลปรากฏว่าใบขับขี่หายเนี่ยนะคะหายไปหลายปีแต่ปรากฏว่าถูกมิจฉาชีพเก็บเอาไว้แล้วนําไปสวมรอยขึ้นเงินลอตเตอรี่เกค่ะ เรื่องราวนี้ผู้ใช้เฟซบ o o กวัยทยากรา น, นะคะได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวการเตือนภัยหลังเจ้าตัวเองได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทำใบขับขี่หายตั้งแต่ปี2559หลังจากนั้นนะคะก็ถูกออกมาเรียกมาตลอดเลยค่ะเพราะมีคนร้ายนำใบขับขี่ที่ทำหายของตนไปใช้ก่อเหตุปลอมลอตเตอรี่แล้วไปขึ้นเงินรางวัลล่าสุดต้องไปตามแก้คดีหลายครั้งค่ะท้งนี้นะคะโพสต์ดังกล่าวได้ระบุภาพพร้อมขอ้อความบอกไว้ว่าใครพบเห็นหรือรู้จักบุคคลในภาพนี้หรือมี ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจจากทุกๆคนให้ทักมาบอกผมด้วยครับเพราะ เป็นผู้ใช้บัตรใบกับขี่ที่ผมทำหายไปตั้งแต่ปี 2,559 ไปใช้ในการกระทำความผิดคือการปลอมลอตเตอรี่และไปขึ้นเงินในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศขอร้องให้ทุกคนช่วยผมด้วยนะครับตอนนี้ได้ตะเวนก่อเหตุไปเรื่อยๆล่าสุดที่ชนบุรีงวดสิบธันวาคม 2,562 มันก็ไปเอาขึ้นเงินวันที่18ทธันวาคม 2,56 ที่ผ่านมาจังหวัดอื่นผมก็ตามไปแก้คดีมาทุกรังที่ผมโดนหมายเรียก ต่อไปไม่รู้จะเกิดอะไรที่ไหนขึ้นอีกบ้างผมคงตามแก้ต่อไปไม่ไหวใครพบเห็นขอความร่วมมือให้ทักมาบอกผมเพื่อที่ผมจะได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับบุคคลดังกล่าวขอบคุณครับทุกๆคนล่วงหน้าด้วยครับคนร้ายแชร์หวยปลอมนะคะเป็น h ฮชแท็ทิ้งท้ายนะคะก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งนะเป็นกรณีที่ต้องระมัดระวังกันนะคะจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของที่มาโพสเรื่องราวนี้เนี่ยตอนที่ทาใบขัี่หายน้นได้มีการแจ้ง ของหายด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ามีการแจ้งพบเนี่ยก็จะมีการยืนยันตัวตนว่าบัตรนี้นะคะมีการแจ้งหายแล้วนะคะมีการาลงรายละเอียดลงข้อความข้อมูลแล้วนะคะว่าไม่สามารถที่จะใช้การได้ทางกฎหมายได้อีกนะคะ <S <S พักกระสะรุ่นหนึ่งก่อนค่ะกับว่าฟังค้าช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวจากกองปราบปรามเปิดเผย10บพฤติกรรมของแก๊งคนร้ายเตือนภัยในช่วงปีใหม่นี้นะคะรู้เอาไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อติดตามรับฟังในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ กว่าจะเรียนรู้ ในช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเตือนภัยค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวของกองปลาปรามนะคะก็มีการเปิดเผย1ิบพฤติกรรมแก๊งคนร้ายเตือนภัยในช่วงปีใหม่นี้นะคะมารู้กันเอาไว้ดีกว่าจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ แฟนเพจเฟซบุ๊กของตำรวจกองปราบปรามนะคะเมื่อปางคามีการโพสต์ข้อความเตือนภัยระบุว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่คือช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้านหรือมีเพียงเด็กหรือคนชราหรือผู้ดูแลบ้านอาศัยเพียงลําพังจึงมักจะมีมิจฉาชีพอาศัยช่วงโอกาสนี้แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆกองปราบปรามจึงขอเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพในรูปแบบดังต่อไปนี้ซึ่งประชาชนมักจะตกเป็นเหยื่อในช่วงของเทศกาลปีใหม่อยู่บ่อยครั้ง อย่างแรกเลยนะคะพฤติกรรมแรกค่ะก็คือแก๊งส่งของขวัญปีใหม่ค่ะคนร้ายนะคะจะใช้วิธีในการแอบอ้างว่ามีคนให้นําของขวัญมาส่งให้ที่บ้านไม่่าจะเป็นกระเช้าดอกไม้ของกินบางครั้งนี่ก็ใช้กล่องกระดาษขนาดใหญ่นะคะเพื่อจะได้ยกเข้าไปในบ้านเมื่อคนในบ้านเผลอค่ะคนร้ายก็จะทําการรื้อค้นของมีค่าแล้วหลบหนีไปนะคะหรือบางกรณีคนร้ายจะทำการปล้นทรัพย์หรือว่าชิงทรัพย์ค่ะ 2ค่ะก็คือแก๊งสารพัดช่างคนร้ายจะแอบอ้างมาซ่อมแอร์ท่อประปาไฟฟ้าโทรศัพท์หรือโทรทัศน์โดยใช้คําพูดที่ทําให้คนในบ้านเชื่อและย่อไม่เข้ามาในบ้านจากนั้นนะคะคนร้ายก็จะทําทีไปซ่อมสิ่งต่างๆตามที่ได้แอบอ้างแล้วก็หลอกให้คนในบ้านเนี่ยไปดูแผงควบคุมไฟฟ้าหรือว่า เ, อาเปิดปิดน้ําจากนั้นคนร้ายจะทําการหรือค้นของมีค่าแล้วหลบหนีไปค่ะหรือบางกรณีนะคะก็จะทําการปล้นทรัพย์หรือว่าชิงทรัพย์เช่นเดียวกัน พฤติกรรมที่สามนะคะก็คือแก๊งชุบหรือล้างทองรูปภัธุ์ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะคนร้ายจะขับรถไปตามหมู่บ้านหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อรับชุบหรือว่าล้างทองรูปภัณฑ์ให้สะอาดแล้วก็ดูใหม่นะคะเพื่อจะนําไปใช้เป็นเครื่องประดับในช่วงปีใหม่คนร้ายจะอาศัยช่วงที่เจ้าของทองเผลอนี่แหละคะ่ะเอาทองปลอมที่เตรียมไว้ขึ้นมาเปลี่ยนกับทองจริงพฤติกรรมที่สี่นะคะก็คือแก๊งจัดงานเลี้ยงค่ะ แกงจัดงานเลี้ยงนี้นะคะจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะวิธีแรกเนี่ยคนร้ายค่ะจะแอบอ้างกับเจ้าของร้านอาเจ้าของร้านค้านะคะว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงโดยติดต่อให้จัดส่งของไปตามสถานที่จัดงานเมื่อทางร้านเนีส่งของไปอย่างที่นัดหมายแล้วนะคะคนร้ายก็จะแอบขนของหลบหนีไปส่วนวิธีการที่2ก็คือคนร้ายจะแอบอ้างกับผู้ที่ต้องการจะจัดงานเลี้ยงว่าสามารถจัดอาหารได้ในราคาที่ถูกนะคะก็ทําให้ผู้ที่จัดงานเลี้ยงนั้นหลงเชื่อยอมจ่ายเงินค่าอาหารโอนไปกับคนร้ายนั่นเอง แต่เมื่อถึงเวลาจัดเลี้ยงกลับไม่มีการส่งอาหารแต่อย่างใดค่ะพฤติกรรมที่5นะคะแกงเรื่อรายทาบุญคนร้ายจะออกตะเวนเดินเรื่อรายนะคะบางกลุ่มปลอมตัวเป็นพระพิสุสา ม, มเณรหรือว่าเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต่างๆออกรับบริจาคเงินหรือสิ่งของค่ะเพื่อนำไปทาบุญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ มากระที่พฤติกรรมที่6กันบ้างนะคะก็คือแก๊งใช้ธนบัตปรปลอมค่ะคนร้ายจะนําธนาบัตปรปลอมนะคะมาจับใจ่ายใช้สอยตามตลาดหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีผู้คนจนํานวนมากนะคะทําให้ผู้ขายสินค้าหรือว่าผู้ให้บริการเนี่ยพราะคนเยอะนะคุณผู้ฟังก็เลยไม่ทันได้สังเกตว่าแบงค์ที่ได้มาเนี่ยนะคะธนบัตรที่ได้มาเนี่ยเป็นของปลอมค่ะแก๊งลวงหรือกรีดกระเป๋าค่ะคนร้ายจะทํากระบวนการเลยนะครับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนจํานวนมากเลยนะคะโดยหัวหน้าทีมเนี่ยจะเป็นคอยเป็นคนคอยดูนะคะว่าเหยื่อคนไหนเนี่ยมีทีท่าว่าน่าจะมีเงินก็จะส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเดินเข้ามาประกบเหยื่อนะคะโดยหัวหน้าทีมจะเดินเข้าหาเหยื่อแล้วใช้กระดาษที่เตรียมมายกขึ้นบางส่วนมืออีกข้างนึงจะทําการกรีดกระเป๋าหรือล้วงเข้าไปหยิบทรัพย์สินในกระเป๋าโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวนะคะ ในข้อที่8ค่ะก็คือแก๊งชวนเล่นการพนันคนร้ายนะคะจะชักชวนกลุ่มผู้โดยสารระหว่างรอรถหรือระหว่างเดินทางเป็นกลุ่มผู้โดยสารที่ได้ติดสนิทเอาไว้แล้วนะคะให้มาร่วมเล่นการพนันรูปแบบต่างๆเช่นกำทัวตลับญ้ามองรัวไพ่าาสามใบโดยจะมีหน้ามาทําทีว่าทายถูกบ่อยครั้งแต่เมื่อเหยื่อหลงเชื่อแล้วก็ทายบ้างเนี่ยกลับเสียงเงินไปจํานวนมากนะคะอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะผู้ฟังแต่มีนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะในพฤติกรรมที่9ค่ะก็คือแก๊งขายสิน ค้าราคาถูกค่ะคนร้ายจะขับรถนะตระเวนขายสินค้าประเภทต่างๆไปตามหมู่บ้านนะคะโดยมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่จึงมาบริการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากโรงงานมีการเลหลังล้างสต๊อกนะคะแต่แท้จริงแล้วค่ะเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าหมดอายุนั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือแก๊งมอมยาค่ะคนร้ายจะผสมยานอนหลับลงในน้ําดื่มกระป๋องกาแฟนะคะหรือว่าอาหารค่ะจากนั้นก็จะ ท, ทําทีเข้าไปตีสนิทเชิดเชื้อกับผู้โดย ที่อยู่ระหว่างการรอรถหรือผู้โดยสารที่อยู่บนรถด้วยภาษาท้องถิ่นนะะเหมือนคนบ้านเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะชักชวนให้ผู้โดยสารเหล่านั้นเนี่ยดื่มน้ำหรือว่ากาแฟที่เตรียมมาให้เมื่อเยื่อหลับ คนร้ายก็จะหยิบทรัพย์สินมีค่าแล้วก็หลบหนีไปนั่นเองค่ะนี่คือสิบพฤติกรรมของคนร้ายที่ทางกองปราบเนีเขามีการออกมาเตือนนะคะอยากจะให้ประชาชนนั้นรู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพที่จะมาแฝงตัวมาในช่วงของเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพดังกล่าวแล้ก็มิจฉาชีพรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจออะไรไม่ชอบมาพากลขอให้สงสัยเอาไว้ก่อนแล้วก็อย่าลงเชื่ออย่าให้ใครเข้าบ้านแย่งคนแปลกหน้าเข้าบ้านอย่ามิการีา ขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจากแฟนเพจ a c e b o o k กองปราบปรามค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกู้ฟังคาช่วงหน้าเรามีเรื่องราวการเตินภายในต่างจังหวัดนะคะเป็นเรื่องราวของโจรที่อ้างตัวเป็นพนักงานเก็บค่าไฟฟ้านะคะเกิดที่อุบลราชธานีและอีกหนึ่งกรณีเป็นกรณีของมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเกิดขึ้นที่สุราธานีติดตามในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ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 ถามทำสนับสนุนรุ่นใหญ่ไวเพชรรู้เท่าทันสื่อโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลมีดีต้องมาอวดพร้อมอวดที่นี่เร็วๆนี้ fm 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี จะมีสักกี่คนที่ได้ส่งต่อความสุขในวันสำคัญวันเกิดคุณปีนี้แบ่งปันของขวัญสักชิ้นผ่านการร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ น, นักศึกษาผ่านโครงการกระป๋องเงินออนไลน์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริจาคผ่านเลขที่บัญชี4 5 3 1 4 0 2 8 5ขีขีดธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีกองทุนสารฝันสร้างอนาคตได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสองเท่าของจำนวนเงินบริจาคสอบถามข้อมูลโทร 02-549-3672 เพื่อนเตือนภัยในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเพื่อนเตือนภัยมีเรื่องราวของสาวเมืองอุบลรัชธานีนะคะเตือนภัยโจรอ้างตัวเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารค่ะแต่เดินคนทั่วบ้านนะคะต้องตั้งสติทำใจดีสู้เสือรอโจรออกจากบ้านแล้วถ่ายคลิปค่ะโจรเห็นท่าไม่ดีหนีไปลอยนวลค่ะ เรื่องราวนี้นะคะคุณพัชรินสาธุจรันนะคะเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดคลิปวิดีโอชายหนุ่มที่อ้างตัวเป็นพนักงานเก็บค่าใช้ไฟฟ้า บุกขึ้นบ้านนะคะไปถึงห้องนอนชั้นที่2ของบ้านพักเจ้าที่โยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานีค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนคลังอาวุธตําบลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพัชรินบอกว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่กัน3ามคนมีตัวเองน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะช่วง11บเอโมงครึ่งนะคะ16ธันวาคมขณะที่นอนเล่นอยู่ชั้นที่2องเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาในบ้าน แต่สังเกตไม่มีเสียงน้องชายหรือว่าน้องสะพ้ายเล่นกับสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้นะคะทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าทั้งคู่กลับมาบ้านจะต้องเล่นกับสุนัข ก, ก่อนค่ะด้วยความสงสัยนะคะก็เลยลงบันไดามาแอบดูพบคนร้ายเป็นชายรูปร่างอ้วนสูงประมาณ1 6 5่งรถึงหนึซนเมตรสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีดําสวมรองเท้าแตะมือด้านซ้ายพันผ้ายืดคล้ายกับได้รับบาดเจ็บพยายามค้นของแล้วก็เปิดประตูห้องนอนน้องชายแต่ ไม่สามารถจะเปิดได้ต่อมานะคะก็ได้เดินขึ้นมาที่ห้องนอนของคุณพัชรินเมื่อคนร้ายเห็นคุณพัชรินนั่งอยู่ในห้องก็บอกว่ามาเก็บคา่าไฟฟ้าทีนี้เนี่ยคุณพัชรินเนี่ยรู้แล้วว่ามิจฉาชีพแ น, แน่เลยนะคะพยายามตั้งสติทวงเวลาชวนคนร้ายคุยเพื่อจะส่งข้อความบอกน้องชายว่ามีคนร้ายเข้ามาในบ้านพร้อมกับพยายามถ่ายคลิปสั้นๆผ่านระบบไลน์ส่งไปให้น้องชายรีบกลับมาบ้านค่ะคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็รีบเดินลงจากบ้านขณะนั้นคุณพัชรินเอง ได้ชวนคนร้ายพูดคุยแกล้งถามหาบินค่าใช้ไฟฟ้าเมื่อคนร้ายเดินหนีมาถึงหน้าบ้านนะคะก็ขึ้นเสียงให้เพื่อนบ้านสนใจว่าเก็บค่าไฟทําไมต้องเดินเข้ามาในบ้านและเปิดค้นหาข้าวของทําให้คนร้ายรีบเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์สีขาวขับลมหนีออกไปจากบ้านทันทีค่ะคุณพชัชรินยังบอกอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสร้อยคอทองคําที่ถอดวางทิ้งไว้ในบ้านได้หายไปหนึ่งบาทซึ่งไม่ทราบว่าใครเอาไปกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ ซึ่งไม่ได้ปิดประตูบ้านทําให้คนร้ายรายนี้เนี่ยหวนกลับมาอาจจะมาขโมยทรัพย์สินครั้งที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเตือนค่ะถึงแม้ว่าจะพักอาศัยในบ้านพักของราชการซึ่งมีรปอรดูแลและเป็นช่วงกลางวันก็ไม่ควจะต้องเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เพราะคนร้ายจะสวมรอยแอบเข้ามาขโมยทรัพย์สินไปได้นั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะทางด้านของพันตํารวจโทรสิริพง์สุดารองผูก้กำกับการสืบสวนสพเมืองอุบลรชธานีเองนะคะบอกว่าได้เห็นคลิปแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นใบหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนนะคะได้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาบอะแสแล้วค่ะจนได้ชื่อคนร้ายแล้วก็จะได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีโดยเร็วต่อไปค่ะน่ากลัวมากเลยนะคูณฟังคาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะ ถือว่ายังมีโชคดีอยู่ที่คนร้ายเนี่ยไม่ทำร้ายร่างกายนะคะแต่ว่าการที่เราจะอยู่ในบ้านเองเนี่ยต้องล็อกบ้านนะคะให้เรียบร้อยด้วยอย่าประมาทว่าเราอยู่ในพื้นที่ของราชการเรามีรปภเรามีผู้รักษาความปลอดภัย อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวทิ้งท้ายกันในวันนี้กับเพื่อนเตือนภัยค่ะเกิดขึ้นที่สุ ร, ราธานีนะคะมิชฉาชีพค่ะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรขอรหัสความปลอดภัยของนักธุรกิจเจ้าของโรงไม้ตาขุนสุ ร, ราษฎร์ถอนเงินผ่านตู้สูนเงินเก็บกว่าล้านบาทเลยค่ะ เรื่องเอานี้นะคะเกิดขึ้น17ธันวาคมนะคะโดยทางคุณสุพัทยาสันภาหรือเจ้หงพร้อมกับคุณสมสุขสรรภาสองสามีภรรยานักธุรกิจเจ้าของกิจการค้าไม้และค้าเหล็กมีการยืนถือป้ายพร้อมข้อความช่วยด้วยฝากเงินกับธนาคารสาขาบ้านตาขุนเงินหายคราลับผิดชอบซึ่งมีชาวบ้านและก็ลูกค้าธนาคารเกิดข้อสงสัยนะคะก็เลยมีการถ่ายรูปไปโพสลงโซเชียลแชร์กันจำนวนมากเลยค่ะโดยคุณสุพัทยา หรือว่าใจใหโหงบอกว่าที่มายืนถือป้ายเนี่ยเพื่อให้คนที่สัญจรไปมาเนี่ยพบเห็นนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความปลอดภัยในบัญชีเงินฝากของธนาคารค่ะ คุณสุพัทยาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารแห่งหนึ่งนะคะตั้งแต่เนื่องมกราคมปี 6-1 เป็นบัญชีสําหรับเก็บเงินจากการค้าขายนอกเหนือจากบัญชีหมุนเวียนโดยไม่ได้มีการเบิกมาใช้นะคะมียอดเงินล่าสุดอยู่ที่2องล้านสามหมบาทกระทั่งเมื่อวันที่12บธันวาคมประมาณบ่ายสโมงมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหมายเลข0 9 9ย์เก้าเกเโทรเข้ามาหาคุณสุพัทยาแล้วก็อ้างตัวเป็น เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจะขอตรวจสอบดูความถูกต้องของบัญชีแต่ว่าก็ขอวางสายไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นมีลูกค้าเข้ามาดูไม้ที่ร้านและจากนั้นประมาณ20นาทีนะคะพอกลับมาที่โต๊ะทำงานเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากสเมียนซึ่งเป็นลานสาวบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรเข้ามาให้ยืนยันข้อมูลทางบัญชีซึ่งลานสาวไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยคุณสุพัทยาเอกใจก็เลยโทรกลับไปที่เบอร์ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้รับสายค่ะร้อนใจก็เดินทางไปติดต่อธนาคารซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ4ี่กิโลเมตรแต่ว่า สิ่งนึงนะคะของคุณสภัทยาเองเธอบอกว่าเธอไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจึงได้เกิดการสื่อสารผิดพลาดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเนื่องจากตนคิดว่าทางธนาคารเนี่ยต้องการให้ใช้บริการแอปพลิเคชันของธนาคารแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าลูกค้าต้องทํารายการด้วยตัวเองเท่านั้นจึงมีการเดินทางกลับมาที่ร้านพบว่าโทราศัพท์นั้นมีแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่แล้วและปกติก็ใช้งานอยู่แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะนำสมุดเนี่ยกลับไปปรับบัญชีด้วยตัวเองที่ธนาคารอีกครั้งจนพบว่าเงินนั้นถูกถอนผ่านแอปพลิเคช ท่าน14ครั้งค่ะหัวฟังคะเป็นวงเงินกว่า1ล้านบาทจึงรีบประสานให้ธนาคารอายัดเงินที่เหลือในบัญชี จำนวน1นึ่งล้านหนึ่บาทไว้นะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ทําการโอนด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ที่สบพบ้านตาขุนนะคะทางนั้นความเห็นของคุณพยุงศักโพกพิรมค่ะผู้ในการสํานักงานทกศ จ, จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าเมื่อได้รับการแจ้งจากลูกค้าและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีก็พบว่ามีการเบิกเงินสดผ่านตู้ ATM โดยไม่ใช้บัตรนะคะที่ธนาคารทกศสาขากํำแพงเพชรและมีการโอนผ่าน ร, ระบบพร้อมเพรย์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 082-3169256 ของธราคารแห่งหนึ่งระบุเจ้าของชื่อ มิสเตอร์แคลว์แคลวนะคะซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินคาดว่าเป็นของชาวเมียนมาจำนวน 50,000 นบาทค่ะและถูกโอนต่อไปยันธนาคารที่3นะคะเจ้าของบัญชีเป็นคนไทยซึ่งสามารถประสานธนาคารปลายทางทําการอายัดเงินเอาไว้ได้ส่วนอีก 5,000 สนบาทถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารอีกแห่งซึ่งมีเจ้าของบัญชีเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ว่ายอดเงินถูกถอนออกไปแล้วนะคะซึ่งธนาคารได้ส่งเอกสารทางบัญชีให้กับตํารวจสพบ้านตาขุนดําเนินการสอบสวนตามกฎหมาย แล้วค่ะ คุมยุงศัก์เองนะคะขอยืนยันว่าแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นมีความปลอดภัยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องบัญชีดังกล่าวนี้ค่ะถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้าไปหาลูกค้าเพื่อขอรหัสความปลอดภัยหรือว่า OTP ซึ่งเป็นรหัสความปลอดภัยที่ระบบของธนาคารจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีของลูกค้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะฝากเตือนไปถึงลูกค้าธนาคารว่าธนาคารเองไม่มีนโยบายให้พนักงานโทรติดต่อเพื่อขอข้อ ข้อมูลส่วนตัวหรือขอรหัสพาสเวิร์ดใดๆกับลูกค้านะคะซึ่งการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางบัญชีลูกค้าจะต้องมีการดําเนินการด้วยตนเองที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นและหากมีข้อสงสยัยใดๆให้ติดต่อธนาคารทันทีโดยไม่มอบข้อมูลใดๆให้กับผู้ที่โทรเข้ามาค่ะ ทานานความเห็นนะคะของพันตํารวจโทมนพมโรตระกูลสารวัตรสอบสวนสพบ้านตาขุนเจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้นะคะได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฝ่ายสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าคลี่คลายคดีค่ะเดือดจะเป็นคดีที่ใช้เทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมเบื้องต้นนะคะมีการทำหนังสือประสานไปยังธนาคารที่อีกคนร้ายโอนเข้าบัญชีขอข้อมูลเจ้าของบัญชีและประสานไปยังบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอหมายเลขข้อมูลผู้ใช้นอกจากนั้นนะคะทางธนาคาร ทกสเองก็ยังมีการส่งภาพกล้องวงจรปิดซึ่งคาดว่าจะเป็นคนร้ายนะคะเป็นชายหนึ่งคนสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมวกปิดบังใบหน้าไปกดเงินที่ธนาคารสาขาก่ำแพงเพชรหลังจากนี้นะคะจะได้เรียกผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนปากคำต่อไปค่ะ เคสนี้ไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นนะคะมือปังคาเป็นเคสที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะคะกรณีของการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็มาขอรหัส OTP ขอไอ้ทองมาเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารจะไม่มีการให้คุณยืนยันอะไรโดยการโทรเข้ามาทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําที่ธนาคารสาขาเท่านั้นค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มาเล่ากันให้ฟังนะคะในรายการเพื่อนเตือนภัยค่ะพบกันได้ใ ห, หม่ในปีหน้าฟังดูกไกลนะคะปีหน้าค่ะในปี2563 เจอกันแน่นอนนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องขอลากไปก่อนขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่แล้วก็เดินทางปลอดภัยกันด้วยนะคะเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต